คุณสมบัติข้อที่สองีลคือระเบียบความประพฤติหรือถ้าจะพูดให้เต็มความหมายแท้จริงคือระเบียบความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายวาจาตลอดถึงการทํามาหาเลี้ยงชีพซึ่งได้กำหนดวางไว้เพื่อทำให้ความเป็นอยู่นั้นกลายเป็นสภาพอันเอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติกิจต่างๆที่เป็นไปเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่ดีงาม ซึ่งเป็นอุดมคติของคนในสังคมหรือชุมชนนั้นโดยทั่วไประเบียบความประพฤตินี้มีลักษณะเป็นการปิดกั้นโอกาสที่จะทำความชั่วและส่งเสริมโอกาสสำหรับทำความดีโดยฝึกคนให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ด้านกายวาจาที่ดีงามกับสภาพแวดล้อมอันจะก่อผลเอื้ออำนวยแก่การดำรงอยู่ทั้งของตนและชุมชนมหรือสังคมของตน และเอื้ออำหนวยแก่การทากิจต่างๆที่ยิ่งงขึ้นไปพร้อมกันนั้นก็เป็นการฝึกอบรมชีวิตด้านกายและวาจาของบุคคลให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นในอันที่จะเสวยผลและที่จะทากิจเช่นนั้นด้วยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมคือการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่อว่าในสภาพที่เกื้อกูลเช่นนั้นสมาชิกแต่ละคน นอกจากจะสามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยดีแล้วก็จะมีโอกาสกระทำสิ่งที่ดีงามและพัฒนาตนให้เข้าถึงสิ่งที่มีคุณค่าสูงขึ้นไปอีกด้วยสำหรับสังคมมนุษย์ในวงกว้างระเบียบความประพฤติขั้นต้นอย่างน้อยที่สุดหรือศีลขั้นพื้นฐานที่จะสร้างสภาพเกื้อกูลให้เกิดขึ้นก็คือหลักที่เรียกว่าศีลห้าซึ่งมีสาระสำคัญได้แก่ การไม่ละเมิดต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อของรักของกันและกันการไม่ใช้วาจาละเมิดความจริงเพราะเห็นแก่ตนและมุ่งทำลายผู้อื่นและการไม่ยอมทำลายสติสัมปชัญญะหรือสำนึกผิดชอบชั่วดีของตนด้วยการตกเป็นอานาจของสิ่งเสพติดซึ่งสติสัมปชัญญะหรือสำนึกผิดชอบชั่วดีนี้ย่อมเป็นหลักประกันหรือเครื่องคุ้มกันของศีลทั้งหมด ส่วนระเบียบความประพฤติที่ซับซ้อนไปกว่านี้ย่อมรวมไปถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ขนบธรรมเนียมและข้อปฏิบัติปลีกย่อยต่างๆที่วางไว้เพื่อความเรียบร้อยดีงามและเพื่อให้เกิดสภาพการดำารงชีวิตอันเกื้อกูลแก่การที่จะเข้าถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะของชุมชนนั้นสังคมนั้นหรือระบบการนั้นศีลจึงมีความเข้มงวดกวดขันเคร่งครัดหยาบประนีด และรายละเอียดต่างๆกันดังมีศีลแปศีลสิศีลส2 7ีเป็นตัวอย่างเมื่อว่าโดยสรุปศีลตามความหมายของพระพุทธศาสนามีลักษณะสำคัญคือ 1. ทําทำให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติกิจต่างๆรวมทั้งการพัฒนาตนเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่ดีงามโดยลำดับ จนถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิต 2. ทํทำให้สมาชิกของสังคมหรือชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดีสังคมสงบเรียบร้อยสมาชิกต่างดำรงอยู่ด้วยดีและมุ่งหน้าปฏิบัติกิจของตนของตนโดยสะดวก 3. ฝึกหัดกัดกราวตนเองทำให้กิเลสเบาบางลงด้วยการควบคุมยับยั้งสังวร ปรับการแสดงออกทางกายวาจาให้เอื้อแก่สภาพความเป็นอยู่ที่เกื้อกูลและการอยู่ร่วมกันด้วยดีนั้นอันเป็นขั้นต้นของการพัฒนาชีวิตของตนให้พร้อมที่จะเป็นที่รองรับของกุศลธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นพื้นฐานของสมาธิหรือการฝึกปรือกุณธรรมทางจิตใจที่สูงขึ้นไปพึงสังเกตว่าศีลขั้นพื้นฐานที่สุดเช่นศีลห้า จะมีสาระที่มุ่งเพื่อการไม่เบียดเบียนซึ่งเป็นขั้นต้นที่สุดของการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกื้อกูลศีลต่อจากนั้นขึ้นไปจะหันไปนเน้นการสร้างสภาพเกื้อกูลทั้งของสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ส่วนตัวและการฝึกหัดขัดเกลารตนเองเพื่อจุดหมายที่จำเพาะมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะมีศีลที่สูงกว่าศีห้าอีกหลายระดับหลายประเภท แต่ศีลหรือระเบียบความประพฤติทุกอย่างซึ่งเป็นที่ต้องการในการปฏิบัติธรรมดังที่เรียกว่าอาริยกัรตศีลศีลซึ่งอริยชนชื่นชมนั้นก็มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันทั้งหมดคือเป็นศีลที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักการไม่เขวไปเพราะตัณหาที่มุ่งแสวงหาอิทธารมเป็นผลตอบแทนหรือเพราะทิฏฐิ ที่นำเอาความยึดถือเกี่ยวกับตัวตนมาปิดบังวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของศีลปฏิบัติโดยเข้าใจความมุ่งหมายมิใช่สักว่ายึดถือทำตามๆกันไปโดยงมงายสำหรับชาวบ้านทั่วไปเมื่อปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้แล้วแม้เพียงศีลห้าก็เป็นปฏิปทาของพระสวสดาบัน